พิสูรรูปใด้ให้จะททำกล่องเข็มด้วยกระดูงาหรือเขาสัตว์ต้องอาบาตาสิบปีที่มีการทำลายเป็นวินัยกรรมเพนกงต า, าตาจิตปีตาจิตรีที่ต้องคุ้มว่าถุกอ่อนจึงจะแสดงอาบาตัตทำกล่องเข็มนะครับสมัยนี้กล่อนเข็มของเราก็มีใช่ไหม แต่ใช้พ so <No. Yeah. S 1> ้าสติดแล้วนะ้รับมีปัญหาหรอคงาับคุด้งกไม่ค่อยนิยมนิยมใช้กันด้วยนะเมื่ี้ก็ม่ใส่กรองอาหาร่ครับแค่ติดน้ำายนันนะแต่ได้นะครับแต่สมัยก่อนเขามีทำด้วยกระดูกกระดูกสันนะที่จะมาทาเป็นของสัมด้านะครับกระดูกของสัตว์ชนิดใชิดหนึ่งนะครับเขาว่าง่ายสูงานเลยงายแทครับโอยใางใหญ่เลยนะ เอาเงินค้างมาทำกล่องเขียนี่นะครับอันนี้เขาเรียกวาเขี้ยวหลังเลยเขี้ยวงอนงอนแรกใช่หมพวกเขี้ยวนะครับแล้วก็อะไรหรือเขาส่งนะครับก็เขาสั่งชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเขาเตอเขาไกลนะครับอันนี้เขาไม่ได้นะต้องบตาจิตติที่มีการทางานเป็นวินัยกร หมาวามว่าไอต้ตาพี่กําลังทํานะครับแปลบัตรุกกฎนั่นเป็นประโยชน์ทีะะ่ขาดทำเองก็ดีใช้ทําก็ดี น, นะครับแปลบัตุกกพอเสร็จแล้วได้มาต้องบัตรไปดีไปดีในที่นี้ปองอาบัตรยังไม่ถึงทันทีนะครับต้องทําลายอาการย์ทุบ่างนี้ก่อนนะครับเพื่อแสดงอาบัตรตกถ้าอันนี้เสร็จขีใช่ไหมอันนี้สรีต้องสนากก่อนถึงปลงอาบัตรตกแต่เดนี้เป็นเพเทน่ า, นากันะครับคือต้องทําลายก่อต้องทุบ ก, ก่อนเน ะ, ะถึงอปองอาบัตรตก ถ้าก็ทำด้วยอะไรเนะี่ยก็ทาด้วยหาวัตถุอย่างอื่นนะครับไม้ไผ่ใช่ไมไม้ธรรมดาสมัยก่อนนะหรือว่าอะไรนะไม่ลผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะทำไปแต่แม่ทำา้วยพวุ่มนะครับทีนี้มาดูของดูต้นไม้ในญ่เยครับไม่แล้วนะนี่ยังผู้ชายนะคนเดียวน <c oughs> <c oughs> ะีนติดตาจติดตาถึงมาสุดท้ายนี่บป่า อเออเออไม่นานหรอกไม่นานหรอกปรมาณสิ้นเดียเนี่ยนะพอจบแล้วมาดูต้นไม้นะครับมาสักครั้งเรื่องทีสุหลายรูปนะโดยสมัยนั้นคุณปพพ้าป้าเจ้าเจ้างกระทําอยู่หน้านิโทรทาราเขตพระนครสุนทนภพสังกัดชนบทครั้งนั้นช่างงานคนหนึ่งปองลานาต่อิบทั้งหลายไวว่าเพราะคุณเจ้าเหล่านายต้องการกล่องเข็มกรผมจะ จัดกล่องเข็มมาถวายนะครับเนี่ยโฟนะทิศงหลายเลยนะจริงทิศทั้งหลายขอกล่องเข็มเขาเป็นจํานวนมากทิศมีกล่องเข็มขนาดย่อมก็ยังขอกล่องเข็มขนาดเครื่องไอย่อมหมายถึงว่าเล็กใช่ไหมล่ะนะก็ขอกล่องเข็มขนาดเขื่องคือใหญ่นะครับทิศที่มีกล่องเข็มขนาดเครื่องใหญ่นะครับก็ยังขอกล่องเข็มที่ขนาดย่อมเนี่ยนั้นไม่รู้จะประมาณนะครับ ช้างงานมัวทํากล่องเข็มเป็นจนนุนมากมาถวายที่สุดทั้งหลายอยู่นะครับไม่สามารถทำของอย่างอืง่นไหวที่ไหนขายได้พ่อมัวนแต่มาทํากล่องเข็มถวายพาะใช่ไหมตัวก็ปอนานาพระแล้วนะครับเดขอรุปนั้นก็มาขอรุ่นนี้ก็มาขอนะครับทําไมท่านไม่ลอเปลี่ยนกันล่ะ <c oughs> ใช่ไหมกขอที่มีอาของใหญ่ก็เปลี่นของแร็กสิถ้านไายามเปลี่ยนนั้นแล้ก็ามาขอนะครับถือว่าเขาปอนานาขอใหญ่เลยนะโยมก็เลยนำบาก ไม่ทำอะไรอย่างอื่ไม่ใช่เลยนะแม้ตนเองจะประกอบอาชีพก็ไม่สะดวกแม้บุตรภรรยาของก็งลำบากนะครับของพระเองก็ก็มีสมัยนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแข็มเกี่ยวกับวิคีทาหนอยูอยน่นะไม่ใหญ่นะคนที่มีบานใหญ่ก็ต้องการบานใมเลกเนี <c> ่ย <oughs> คนี้มีบานไม่เล้วก็ต้องง า, านบานไมอย่างนี้นะครับ <c oughs> เงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก น, น, นะครับเราก็องใส่ใจประโยชนะ์ความจําเป็นก็นแล้วกันนะว่าแค <c oughs> ่ไหนนะครับ เป็นแค่ไหนต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนนะทีนี้ชาวบ้านเขก็ก้ข่าวข้อใช่หมขอ้อกลางน้ำเพ่งก็จุดเตรียมพนธนาว่าฉนัยข้อจำหน้าเสื้อสายข้อศักยบุตรทั้งหลายจึงได้ไม่รู้จักประมาณพากันขอกล่องเข็มมาเป็นจํานวนมากนะครับช่างงานนิโมทำกล่อเข็มเป็นจำนวนมากถวายพ้าเหล่านี้อยู่จึงไม่เปคําของอย่างอื่ขายได้ข้อตำหนิต่างเรื่องนี่เกิดขึ้นนะเนะี่ เรื่องป็นหนึ่งที่สุดต้งหลยยังนะครับบรรดาพิสุภิเณผู้มาก้อยสินโดแต่ ก, ก็เพ่งทดัดเตรียมพุทนาแล้วก็กลับนิจจ้าทรงทราบทุ่งทอง ท, าทารงสอบถามะชนกีทรงตีเตนแล้วก็มายัตยานบอกนี้ขึ้นมาที่ขงจงส่ ง, ง, ง, งาช้ามาทากล่องถึงเป็นงีน้ไม่น่าจะงานเดียวนะคนับงานเดียวมาทาได้หลายกล่องกว่าเนา <c oughs> ะครย์ตัวงานใัญ่านใหญ มันไม่ได้ทำในล่อใหามันจะทำเป็นแท่งลนถ้าจะทำแบบนั้นแล้วก็เอาอะไรมาติดต่อไปทำใหเส็จก่อนที่บ้านเสร็อ๋อใช่ใช่เม่ได้เอางานใหญ่ๆมาทำในกล่องรีย่ใช่ไหมแต่มาทำแยกชิ้นส่วนแล้วก็เนี่ยน่าจเป็นอย่างนั้นเ่าก๊องม่ใช่อ่าฮะพาเนี่ยันแยกส่้นเล็มาก่อนต่อไปนะคร มาดูคำอธิบายเลยออืหน้าในการขานะครับหน้าสองห้าสิบ้าข้อที่สี่อธิบายถึงจิขารสขาบท น, นะครับพึงสราบค่ะอธิบายสิกขาบุตที่สี่ต่อไปการทําลายนั่นแหละชื่อว่าเพเทนกกนะครับการทำลายนั้นมีอยู่แก่กองเข็มนั้นเห็นนั้นกองเข็มนั้นจึงชื่อว่าเพเทนกักะเพราะฉะนั้นนะครับกองเข็มที่ต้องทำลายใช่ไหม คมีาการทำลายนะเพราะฉะนั้นเมื่อพิสูจน์ทำเองหรือใช้พื่นทำกล่องเข็มเช่นนั้นต้องบัตรกดเนี่ยในขณะที่ทำนะต้องทุกกดก่อนนะครับถ้าได้มาแล้วต้องอามบตรมันต้องเหมือนเดิมนต้องทำลายกล่องเข็มนั้นเสียก่อนแล้อะอิสระแบบไปอีกทีพอชนะได้มาต้องไปอีกทีใช่ไหม mm hmm. ต้องทำลายเยิบกองอาบัตรตกนะครับท mm hmm. ่านี้ว่าเทชนะกลับไปอีกที หแหตุการณประเภทอาบาัติค้าบท น, นี้เมืโโ่อพระาจ้าทรงลงพิสุลายรูปสัตว์ในสัต ก, กาชนบนนะครับบรรยายแล้วก็เหตุคือการขอกล่องเข็มหลายอันนะเป็นอะไรบ้ากนะครับเป็นศาสนาบัญญัติพิษุนีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้สนติกะใช้ก็เป็นนะทํารัเป็ก็เป็นใช้คําทัมเป็ก็เป็นใช่ไหมกล่องเข็มตนเองเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ติกาไปอีกตีนะครับ เป็นจตุกะไปอีกทีนะไปอีกทีหมวดสี่นะครับไม่ใช่หมวดสาแล้วนะตนเองทําค้างไว้ตนเองทําต่อให้เสร็จนะครับเราทําเองใช่ไห ม, มไม่งั้นเสร็จแล้วก็ทําต่อไปนะครับจนเสร็จก็ต้องไปอีกทีกองเข้มคนอื่นทําค้างไว้คนอื่นทำค้างนะคนอื่นนั่นแหละนะครับทําให้เสร็จนั่ว่าคนอื่นทําค้างไว้แล้วเราก็ไปใช้ก็ทําต่อเพื่อเรานะครับจนเสร็จอันนี้ก็ต้องไปอีกทีนะครับ ต้งให้ทําค้างไว้แล้วใช้คนอื่นนะครับทําต่อนะให้เสร็จเพื่ อ, ตอนตนเท่นั้นวันนี้ต้องไปตีหรือคนอื่นทำค้างไว้ตนมาทาต่อให้เสร็จอันนี้ก็ต้องไปตีได้มาเป็นสตุกข์ตาสิบปีครับที่เหลือก็จําหมือนกันนั่งจะเป็นสตุกขไปตีทั้งหมกเลยะคระับข้อนี้ใส่ใจคำที่บาลนธิษฐานตรงนี้ให้ดีนะในข้ออื่นเนะะียคำที่บาลก็จะเหมือนกันเลย ก็จะมีคำว่าทำเองก็ดีใช้คำคดีใช่ไหมในประโยคที่ทําที่ใช้นะครับต้องบัตรผูกกฎใช่ไหมได้มาปัญยตีอันนี้ข้อที่เหลือก็จะเหมือนกันอย่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นจตุกาไปายตีนี่เหมือนกันทําเองหรือให้ผู้อื่นทําเพื่อประโยชน์แก่ที่สุดอื่นนี่ก็ต้องบัตรทูกกฎนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อตนพ่อวัตถุนั้นไม่ควรทำอย่างนีใช่ไหมยังจะทำให้คนอื่นได้นะครับ นี้ก็เลยต้องบัตทุกกฎนะฮะทำเองหรือใช้ทํานะครับเพื่อพิสูจน์ต้องทุกกฎหรือได้ของที่บุคคลอื่นทําเสร็จแล้วเมื่อใช้สอนต้าบัตทุกกฎนะครับแม้เขาว่าเขาทาเองนะเพื่อเราเราไม่ได้ใช้เขาก็ทำเองนะครับแล้วก็มาถวายเรานนี้เราก็ใช้ไม่ได้นะครับมาใช้สอนเข้ามาถวายมาใช้นะก็ยังต้องบัตทุกกฎนะครับไม่ได้เลยห้าขึ้นใหญนะอณาบันะครับในบรรดาของเหล่านี้คือลูกดุมนะครับ ลุมดุมใช่ไหมก็คือที่ชีวอนี้ใ ช, นนใช่ไหมครับดุมนะตะบันไฟกักไฟนะครับาบตะบันไฟเป็นไงเนงี้ยเป็นไงพ่อถังพ่อท่านบอกว่ามันจะมีแม่ตะบังไฟและูกตะบันไฟนะครับกล่องกล่องไม้ขีดใช่ั้ยครับเป็น ก, นนกลนนกอ่องน่าจะเป็นพวกกล่องพวกใส่ใส่ขอนุ่มนะอกล่องไสนุ่มนะครับ ที่เขาเอาหินเหล็กฟันมานี่ยนะทมาทบกันน่ะนม่เป็นก่อสายนึ่ครับเพราะเขาต้องมีก่อสายใช่ไหมเก็บเอาไว้นี่ครับว่ไแม่ตะบันฟ้าทำไมมีลูกตะบันไฟหรือว่าเอาไวใส่หินนะ็นแม่มีลูกออกมาสะเพาะนะครับสะเพาะกันนี่นะเรื่องอะไรเกี่ยวกับรื่องพวกนี้หน่อยนะครับและก็ลูกถวิลนะครับนั่นนะครับ ลูกถวิ น, นี่เป็นัไงครับลูกถ ว, กวหรือว่าน้แกลูกถวิ น, นี่คืออะไรเนะลูกถวิที่นั่นือป่าที่ประคดเอหรือเปล่าครับถ้าจำไผิดนะครับมนันประคดเอลไอหัวประคดเอลนะที่ขอเราเป็นเชื่ย อ, อย่างเดียวใช่ไหมครับที่เข้ามันนะถ้าจำไม่ผิดนะั่นคืตรงนั้นนะครับอ่าทำเป็นอะไรนะ กัดยาตาม่นเป็นไรพวณนี้เป็นอนาณาบัตรทั้งหมดนะไม้ป้ายาตาได้ฝังมีดได้นะครับเอางานทําฝังมีได้เลยทำมากรนะครับองค์น้ําก็ได้เมื่อพิสูจน์ทำของอย่างใดอย่างหนึ่งอยากที่ว่ามาด้วยกระดูกเป็นต้นก็ดีพิสูจบ้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัตรนะครับองค์อาบัตรนะสิคราบตัวนี้มีองสามเหล่านี้คือหนึ่ง สิ่สูตรทำกล่องเข็มสองกล่องเข็มทองด้วยกระดูกเป็นต้นสามได้มาจากการทําเองหรือใช้ผื่นทำครับครบองก็ต้องบทไปตีในะสิขาบทนี้ต้องได้มาด้วยนะสมุทรฐานเป็นต้นเหมือนกับสันจะไดต้ตากสิขาบทแรกสมุงฐานหกเลยครับจ้การอธิบายสู่จิทราสิกขาบทสิกขาบทเอ็ส น, ส, นสมุทรฐานหกเลย แอนแบทที่ไม่มีจิตเลยเป็นยังไงครับคุณเป็นถ้ามีจิตเน่ยแน่นารู้ทั้งรู้นะครับมีจิตนอนาจจะไม่รู้ไม่รู้อะไรครับไม่รู้เป็กระดูไม่รู้ปนกระดูกแต่ก็ไปทาขึ้นมาใช่ไหมเอเอมันอะไรกันแน่เราไม่รู้วสดุนี้คืออะไรอันนีข้าแข้าวแดนอะไรักอืครับ แ, แต่ความจริงเมื่อคือกระดูกนีะหรือว่างาไครับ ได้นไคได้ครับนี่ะนะจิต่งนี้นะท่านจิตก็รู้ท่านรใช่ไหมกาจิตก็ทำเองใช่ไหมวิจารจิต ก, ก็สั่งให้ทำกายวาจิตก็ทั้งสั่งให้ใช้อะอย่างนี้นะ ท, ทั้งสั่ ง, งากกาทั้งทำนจบการอธิบายสุจิขราสิกขาบทจบนะครับ